รมของพระพุทธเจ้าเนี่ยสิ่งที่พระพุทธเจา้าตรัสรุ้เนี่ทตัสรูอริย ส, สัสี่าอริยสัสีมันคืออะไรมันต้องทำความเข้าใจหลักธรรมที่สำคัญในเมื่อเราปฏิบัติอยากจะค้นทุกข์ไม่อยากมีทุกข์ พระพุทธเจ้าท่านตัสรู้แล้วก็หมดทุกสิ้นทุกได้ท่านตัสรู้อะไรท่านรู้อะไรเอาให้มันชัดขึ้นมาเลยให้มีคําตอบขึ้นมาไม่ต้องไปศึกษาอันนูน้นอันนี้อันนั้นอันนั้นมากมายนะว่าพระพุทธเจ้าตัสรู้อริย ส, สัีมันเป็นอยู่ อริยสัตวี่นี่ก็คือทุกทุกหมายถึงทุกที่เกิดในจิตใจนะทุกที่เกิดในใจคนนี่แหละผู้นี้เลใจคนใจสัตว์เนี่ยแต่นี่ก็คือใจนี่แหละสิ่งที่มีใจไม่ว่ามนุษย์ไม่ว่าเทวดาไม่ว่าพรหมมันมีความทุกข์ขึ้นมาในใจบีบพันหัวใจทรมานใจ เกือแห้งใจโศกเศร้าโศกะปริเทวะในใจหมายว่ามันเศร้าโศกร้องให้ลำพึงลำพั น, นทุกขะทุกกายโทมนะสะทุกใจอุปาญาสิแห้งเกื่อนแห้งภายในจิตใจใจมันแห้งมีอ า, าการของใจทั้งนั้นเลย าทางกล้ก็เอาชลาหมลเนยะทางใจก็คืออารมณ์มันแปรเปลี่ยนคาว่าชลาเนี่หมายว่าหมายว่ามั น, ม, นมันเต็มที่เต็มที่แล้วมันก็ดับของมันมันเปลี่ยนแปลงมันทำให้ใจเราเนี่ยทุกมองในแง่ของใจหรือถ้ามองในแง่ของสภาวะเนี่ย มันมีน้ำหนักอยู่ในจิตไม่ว่าเรื่องอะไรทั้งนั้นถ้ามันมีน้ำหนักอยู่ในจิตแม้เราคิดเราพูดเราแสดงออกมันมีความรู้สึกเป็นตัวเป็นตนในจิตปับ๊บเนี่ยนั่นละ่ะทุกแล้วมันมีน้ำหนักอยู่ในจิตแล้ว เ ร, na, เรื่องคนนั้นเรื่องคนนี้มันก็เข้ามามีน้ำหนักอยู่ในจิตเรื่องลูกขอเขามาบีบคั้นจิตเรื่องคนนั้นคนนี้บีบคั้นจิตเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่สมความต้องการไม่เป็นไปอย่างที่ลัาทิดบีบคั้นจิตหนักอยู่ในจิตกดทวงอยู่ในจิตนี่คือสภาวะทุกเป็นสภาวะที่อยู่ในจิตมันมีไหม ที่ทุกนี่ผู้เจ้าไม่ได้สอนให้กลัวนะมันได้สอนว่าทุกนี่เป็นเรานะมันเป็นสภาวะอันหนึ่งทุกให้กําหนดรู้นะผู้เจ้ามนี่ไหมผู้เจ้าตต่สรู้ประุรู้ว่าหนีคือทุกนะนีอาการที่มันหนักอยู่ในจิตบีบคันจิตทุกในจิตทรมานในจิตหนีคือทุก เป็นสิ่งที่ต้องำกำหนดรู้จิตที่ต้องทำกับมันคือต้องำกำหนดรู้ไม่ใช่ไปทุกข์กับมันนะไม่ใช่ไหลไปกับมันนะตั้งท่าเลยนี่คือทุกข์อย่างจิตเข้าไปดูเอาอย่างที่พระเจ้าบอกเป็นสิ่งที่ต้องำกำหนดรู้เข้าไปำกำหนดรู้ที นี่เราผู้เจ้าสอนอย่างนี้ถ้ากําหนดรู้แล้วเนี่ยทุกนี่จะดับมันทนอยู่ไม่ได้นะมันต้องดับทุกเนี่ยทุกดับเนี่ยมันจะรู้เหตุแห่งทุกเหตุแห่งทุกคือมีอุปาทานมีอุปาทานมีตัวมีตนมีตัณหา ไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้อยากให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้อยากได้อยากอันนั้นอันนี้นี่แหละเหตุมันเนี่ยสภาวะของมั น, นถ้าดูทุกเท่านั้นแหละมันก็จะเห็นเหตุแห่งทุกมันจะละของมันเองนี่คือสมู ท, ทยัยเป็นสิ่งที่ควรละ ไม่รู้ขึ้นมาแต่เวลามันละมันจะละของมันเองถ้าเราสร้างเหตุเพียงพอแล้วมันจะละของมันเองเมื่อทุกดับเขาเรียกว่านิโรธทุกขะนิโรธะทุกข์นิโรธการดับไปของทุก ถ้ามันสมุดเฉทานิโรธมันดับจริงๆเนี่ยก็คือพรันผ่านแต่ถ้ามันดับชั่วคราวนี่หมายว่ามันสอดคล้องกับพรันผ่านมันดับไปเหมือนกันแต่ดับชั่วคราวดับย่อยๆมันก็พอให้รู้ว่าเนี่ยถ้าทุกข์ดับแล้วมันสบายมันไม่มีปัญหาขึ้นในจิตใจทุกนีคือทุก ทุกเป็นสิ่งที่ต้องกําหนดรู้ได้กําหนดรู้แล้วอันนี้หมายถึงสภาวะของพลานได้กําหนดรู้แล้วมันผ่านไปแล้วแต่ถ้าหาว่ามันผ่านไปเชื่วข่าวก็คือตัวนี้ไอตัวที่มีน้ําหนักในจิตเนี่ยมันดับไปแล้วกําหนดแล้วแล้วมันก็ดับแล้วเหตุของมันก็คือมีรูปความจริงมีตัวมีตน อะไรอะไรก็เป็นเราเป็นของเราหรือ ม, มีอุปาทานไปยึดมั่นถือมั่นเรื่องนั้นเรื่องนี้เอาเข้ามาทำให้มันมีน้ำหนักในจิตก็เพราะมีตัณหาการมาตัณหาพระวาตัณหาวิภาวะตัณหาพอได้มีทุกข์เมื่อไหร่เนี่ยต้องมีการยึดยสอบเข้าไปเลย มีอุปทานเข้าไปยึดมั่นถือมั่นหรือในเรืนงก็มีความอยากอยากได้อยากมีอยากได้ข้าวของดูด้วาอยากมีชื่อเสียงอยาใหญ่อยากให้คนยอมรับอยากมีบริษัทบริวารหรือว่็ไม่อยากให้มันเป็นอย่างที่เราต้องการอยากให้มันดับอยากให้มันสลายไปไม่อยากมันเกิดขึ้น มีโลภทุกจะดับก็ต่อเมื่อปฏิบัติตามอริยมรรมิโอแปดอริยมรรมิโอแปดก็คือเริ่มเื่องไบเจริญสติพระพุทธาก็บอกแล้วว่าจเจริญสตินี่สติเนี่ยเป็นหัวข้อธรรมที่ใหญ่เปรยียบเหมือนรอยเท้าช้างรอยเท้าช้างนี่ใหญ่เอารอยเท้าสัตว์อื่นมาใส่ลงไปในรอยเท้าช้างได้ สติก็เป็นหัวข้อธรรมที่ใหญ่หัวข้อธรร ม, มอื่นๆก็ลงที่ตัวสติถ้าจเจริญสติหัวข้อธรร ม, มอื่นๆมือื่นก็จะเกิดขึ้นเหมือนจกสติธรรมดาก็เป็นสติสัมปชัญญะจนกระทั่งเป็นสัมมาสติสติที่เป็นไปพื่อความพ้นทุกข์มีสัมมาสติก็มีสัมมาสมาธิมีสัมมาวายามะ มีสัมมาทิฏฐิเนี่ยมันเป็นสัมมามัคเป็นทางที่จะนํนำไปสู่ความดับทุกข์ที่ผู้เจ้าตัสรู้ก็ตัสรุอริยสัจีหมายความว่าทุกข์มันเกิดที่ใจมีน้ำหนักขึ้นที่ใจบีบคัน้นจิตใจมีความรุ่มร้อนในใจ เขาใจกุ้มลุมใจนี่คือทุกข์เคยเห็นไหมแต่ไม่ใช่ทุกข์ของเราถ้าหากว่าเราเข้าไปดูมันมันเป็นถ้าหากว่าสาวไปที่นี่เอ้ทำไมมันจึงทุกข์มันมีเหตุเนอะไอ้ทุกข์นี่ทำไมจึงทุกข์ ถ้ามทุกนี่หมายความว่ามันมีการปรุงแต่งเกิดขึ้นในจิตสกรทีแรกมันยังไม่ทุกปรุงแต่งบนเวีย น, นมีน้ำหนักขึ้นมาที่แรกทุก น, น้อยๆทุก น, น้อยๆก่อนเขาเรีมีชาติชาติมัหมายความว่ามันปรุงแต่งเป็นตัวเป็นตนขึ้นมา อยากได้นั่นได้นี่ก็มีเราอยากแล้วเนี่ยมีน้ําหนักแล้วเนี่ยเป็นตัวกูอยากมากๆเขาแบบจิตน่ะมันไปเกิดเป็นเปรดเป็นจิตของเปรตอยากมากดินลนมากซัดใสยมากมองหาแต่จะเอ า, อาเนี่ยเปรดมไม่ใช่ว่าไปเกิดนู้น มันเกิดในจิตก่อนก่อนที่มันเกิดปเป็นเปรจริงๆสัตวนลนรกมันก็เกิดที่จิตซะก่อนวนเวียนอยู่ในจิตหุมหุ่มอยู่ในจิตกลุ่มร้อนอยู่ในจิตมันไม่รู้มันมนเวียนอยู่ในจิตมันไม่แจ่มไม่ชัด เกิไปมีน้ำหนักในจิตแล้วทีนี้เป็นทุกข์แล้วนานมีชาติก็มีทุกชาติปีทุกขาชาติย่อยๆในจิตสกักก่อนแล้วก็เป็นชาติใหญ่ๆเป็นตัวเป็นตนขึ้นมามีนะผู้เจ้าลําดับลําดับดูมันไม่ใช่เกิดลอยๆทุกเนี่ยมันมีที่มาของมันที่มาของมันก็คือมีชาติ ไอาชาตนีนก็มีที่มาอีกเนะก่อนจะเป็นชาติเนี่ยมันมีเรื่องขึ้นในใจก่อนรับขึ้นในใจแล้วก็เราไม่ทันตรงนี้สติไม่ทนันจิตก็ปุงแต่งบนไปเวียนมาเนี่ยรู้ไม่ทันมันไม่ดับสักทีหนึ่งก็มีน้ำหนักเพิ่มน้ำหนักเพิ่มกำลังขึ้นมาอย่ก บ, บีบคั้นจิตใจหนักห่วงอยู่ในจิตใจทุกทรมาน คนไม่ไหวก็ไปหาทางออกไปพูดบ้างไประบายออกบ้างหรือไปทำในสิ่งที่มันเป็นพิษเป็นภัยเพิ่มขึ้นได้สร้างเป็นปัญหาของสังคมได้มันอยากแก้ทุกข์แบบไม่ถูกต้องมีเรื่องมีราวเกิดขึ้นในจิตมันก็ปรุงแต่งวนเวียนวนเวียนแล้วมีน้ำหนักก็เป็นทุกข์ ถ้ามีสติรู้ทันเสียแต่ละตอนแต่ละตอนเนี่ยมันก็หมดปัญหานะมันไม่เป็นเรานะมันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยเฉยเป็นเกี่ยวของธรรมชาติทีนี้เราไม่ทันนะสิเป็นเรากูกูกูจะเอากูอยากให้เป็นอย่างนั้นกูอยากให้เป็นอย่างนี้เขาไม่ทำตามกูต้องการกูก็โมโหกูก็โกรกูก็พยาบาทกูก็เครื่องกูก็น้อยใจ กูก็งูหิดกูลำคาญกูทนไม่ไหวกูก็บน่นกูก็ว่ากูก็ทําออกทางกายทําเสียงดังทําเสียงพึ่งพึ่งปั้งปั้งกับฟัดกับเฟียดโกลมาหมดเลยทีนี้อาการของทุก์แสดงออกมาหมดถ้ามีสติรู้ทันมันก็ไม่มันก็ยับยั้งได้นะถ้ารู้ไม่ทันมันแสดงออกมาแล้วกว่อนจะรู้ทันก็โอย เราทำไมเป็นอย่างนี้เนี่ยสร้างเหลืองสร้างเราสร้างปัญหามากมายถ้ารูทันตอนไหนเนี่ยมันใกล้ดับตอนนั้นรู้ทันเร็วก็ดับเร็วปัญหายังไม่เกิดพบมีเพราะอะไรนะมันก็มีเหตุอีกงนะอยู่มันไม่ได้หยิบลอยๆไม่ใช่อันเดียวนะพบมีเพราะมีอุปท า, า น, นมีอุปท า, านเรื่องไหนมันก็ไปไปเกาะไปเกี่ยวไปดึงมือไว้ในจิตเป็นเรื่องเป็นเราขึ้นในจิตเป็นพบ แล้วก็วนเวียนปรงแต่งในจิตเป็นชาติเป็นการเกิดขึ้นในจิตเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็เป็นโศกกาปริเทวะฉลาโมรณาโศกกาปริเทวะทุกขโทมิลสาวปายาสเป็นทุกข์มีน้ำหนักขึ้นในจิตจริงๆมันเป็นแค่เป็นไปตามเหตุตาม ป, ปัจจัยเฉยๆถ้าเรารู้ทันมันดับไปแล้วทีนี้อุปท า, านก็มีที่มาอีกเหมือนมาจากไหนอุปท า, านมันมาจากปัญหา การมัทนาพระวัฒนาวิพระวัฒนามันมีความอยากมีความอยากมันก็เราสติเราไม่ทันมันนะมันเป็นเราอยากขึ้นมาแล้วมันก็อุปทานเนี่ยมันก็ไปจิตมันก็ไปเกาะออกมาเป็นตัวกูขึ้นมาเป็นตัวเราขึ้นมาเราอยากเราจะเอาเอานั้นอันนี้นี่เราอุปทานแบบนี้มันมีตัวตนแล้วมีตัวเรานี่แน่นอน เป็นตัวทุกข์ตรงนี้นัเริ่มจากนี่ถ้ารู้ทันมันก็ดับไปรู้ทันเร็วก็ดับเร็วถ้ารู้ทันมีความอยากแต่รู้ทันมันยังไม่เป็นเรานะยังไม่อยู่ประทานแช่ว่าเอออยากทักก็ดับเลยนะดับเร็วมากเลยนั่นในจิตเนี่ยถ้าทันมันถ้าไม่ทันเนี่ยมันไม่ดับมันก็ปรุงแต่งยันนี้นี่มันโอ้โหมันเร็วขนาดที่ว่ามันไปเป็นชาติแล้วไปปรุงแต่งแล้วที่เราเห็นมันอาการมันแสดงออกแล้ว มันต้องฝึกสติให้รวดเร็วให้มีพลังให้มีกำลังมันจึงประมาทไม่ได้ปล่อยเนื้อปล่อยตัวเรียกว่าประมาททั้งนั้นทำบ้างไม่ทำบ้างประมาททั้งนั้นต้องจดจ่ออยู่ตลอดเวลาจึงเรียกว่าเป็นคนไม่ประมาท ตัณหามันก็มีที่มาอีกเหมือนกันพอสติไม่ทันเวทนามีเวทนามันก็มีตัณหาเวทนาก็คือว่าสบายไม่สบายมันสบายมันก็พอใจขึ้นมามันก็อยากได้เป็นตัณหาแล้วนั่นทีเถ้าทันว่าเออเห็นปั๊บกระทบปั๊บมันสบายเออรู้ว่าสบายก็จบรู้ไม่สบายก็จบไม่เป็นตัณหา แต่ถ้าไม่ทันนี่เป็นธนาแล้วก็มีอยู่ก่าทานเวทนาก็มีที่มาผมมีภาษสะนามีตามีหูมีจมูกมีกายมีใจกระทบมีวิญญาณเข้าไปรับรู้เกิดขึ้นมาในวิญญาณก็มีสัญญามีสังขารจำได้เออคนนี้เป็นอย่างนี้อย่างนี้ไอคนนี้มานี่มันไม่ปลอดภัยมีปัญหา หรือคนนี้มันสวยเนี่ยมันก็เห็นมีมสัญญามันรู้ว่าสวยเกิดความชอบใจขึ้นมาปูงแต่งสาเข้ามามาเกี่ยวมาท่องไม่ชอบใจกับผักต้านอยากทำลายไม่อยากใกล้ชิดไม่อยากรู้จักไม่อยากสนิทสนมคุ้นเคยนี่ถ้าว่าตากระทบลูกทันปับ๊บเรื่องก็ไม่ไม่เกิดหูได้ยินเสียงก็ไม่เกิด เขาโยเขายืนนาเราอย่างเงี้ยสตีเราปั๊บรัวนี่เสียงมันกระทบไม่มีตัวตนออกไปบต้วก็สบายๆเนะี้ยเสียงก็ดับไปเฉยๆถ้าไม่ทานนีนี่เขาว่าเราว่ากูเจ็บปวดนีไม่สบายใจขึ้นมาแล้วก็ไม่อยากให้มันเกิดเป็นวิภวัฒนาแล้ววิอุปทาน เป็นเราแล้วมีเรื่องขึ้นในจิตปูนแต่งวนเวียนในจิตเป็นทุกข์มีน้ำหนักขึ้นมาบางเรื่องนหนักมากๆเป็นวันเป็นอาทิตย์เป็นเดือนเป็นปีเป็นหลายปีก็ได้ภาษาก็มีที่มากันว่ะมีภาษาก็เพราะมีมีตามีหูมีฉมุกมีลิ้นมีกายมีใจ เพราะนั้นพระวาอื่บอกว่ามันอาศาัยเหตุแล้วเกิดขึ้นมนันเป็นเกลียวของธรรมชาติมันไม่ใช่เราท่นานว่าถ้าสาวไปอีกไอยาเยตนะทั้งหกวิมานจากไหนเขาเรียกสลาเยตนะเนี่ยมันก็มีรูปนามแต่รูปนมามมันได้ยังไงเพราะมีวิญญาณวิญญาณหนึ่งมามพามาเกิดมันก็มีตัวตนเอามารองรับคํา กำใจะให้ผลให้ทางตาหูจมูกลิ้นตายใจแล้ววิญญาณมาจากไห น, นมันก็มมีสังขารมีดีมีชั่วมีสงบมีเฉยๆเป็นเรามีเราก็มีอาวิชามันจึงมีเรามีเราแล้วก็ปรุงแต่งดีปรุงแต่งชั่วทําไปก็เป็นเราทําเราทำแล้วมาเก็บไว้ในพวังคจิพวังเขาวิญญาณไปเกิดก็คุณสมบัติ ภนยในวิญญาณไปเกิดวันนี้เอาเอาสร้างรูปนามขึ้นมาเพื่อรับเพื่อรองรับเพื่อไปใช้กรรมเพราะนั้นร่างกายของเราเนี่ยส่วนหนึ่งมันเปลี่ยนแปลงแตกดับสลายไปอีกส่วนหนึ่งมันไปสามารถไปติดต่อกับโลกข้างนอกเพื่อเอาทุกข์เข้ามานี่จี่ว่ามาใช้กรรม เพรากรรมในอดีตเก็บไว้ในฟองกรจจิตแล้วก็มาเป็นรูปนำกายกับใจนี่แหละอำนาจของกรรมเก่าที่นั่งอยู่นี้อานาจของกรรมเก่าแล้วก็ผสมสานอานาจของกรรมใหม่ด้วยที่เป็นอยู่ในขณะ น, นี้มีตาหูจมูกลิ้นกายใจทีนี้เวลาใช้กรรมใช้อย่างไร เข้ามาทางตาปุ๊บว่า้ามาไม่สบายขึ้นมานั่นแหละกรรมเก่าให้ผลเวสวิปากจิตเป็นวิบากเป็นผลของกรรมถ้าว่าเข้ามารู้สึกสบายใจก็ผลในทางที่มันทางดีเคยทํากรรมดีอย่างนี้มาถ้าเข้ามาเป็นทุกข์ไม่สบาย ถ้าเรารู้ทันอย่างเงี้ยมันก็เป็นแค่โอรู้ว่าเป็นกรรมเก่ามันก็จบนะถ้าไม่ทันตรงนี้ปั๊บเป็นตัณหาอยากได้อยากมีอยากเป็นไม่อยากมีไม่อยากอะไรเป็นถ้าทันตรงตัณหานี้ก็ดับไปอันนี้ก็เป็นผลของกรรมเหมือนกันกรรมในอดีตให้ผลแล้วผลมันเกิดขึ้นแล้วมันมีปฏิยาขึ้นในจิตแล้วแต่ถ้าไม่ทันตรงตัณหา อุปาทานเอาแล้วทีนี้ตัวกูเกิดขึ้นใหม่ละตัวต้วตนขึ้นมาใหม่ละเอาเรื่องมาไว้ในจิตแล้วปุงแต่งขึ้นในจิตเกิดใหม่ขึ้นมาแล้วเกิดขึ้นในจิตก่อนย่อยๆก่อนแล้วก็จะไปเกิดใหญ่ๆข้ามภพข้ามชาติตอนนี้ชี้ให้เห็นว่ากรรมในอดีตเนี่ยเป็นรูปเป็นนามเป็นกายเป็นใจเรา แล้วมันใช้ผลกรรมนั้นทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจถ้าเรามีสติตามไม่ทันมันจะปูุแต่งขึ้นในจิตเป็นชาติแล้วก็เป็นทุกข์เนื่องจากว่าทุกข์นี่เป็นสภาวะที่มันเกิดขึ้นกับจิตใจของคนเราพระพุทธเจ้าก็สอนวิธีที่จะดับทุกข์พราะเจาก็ ตัดสรู้อริยสัีคือรู้วิธีดับทุกจนทุกมันดับหมดไปจะนี้มันไม่ได้จะตีโพยตีภายไม่ได้ต้องอาศัยการเจริญสติเจริญอิเดียมัคปฏิบัติตามทางของโมเดจาจนมันสามารถเข้าไปดูได้ว่าตอนนี้มีน้ำหนักขึ้นในกิตแล้ว มันมีอะไรวนเวียนอยู่ในจิตแล้วมันเป็นทุกข์แล้วมันมาในรูปไหนน้อยเนื้อต่ำใจพยาบาทโกรธเคืองซึมเศร้าเหงาหงอยอยากได้อยากมีอยากเป็นลังเลสงสัยห่งใช่หมดมันมีน้ำหนักในจิตหมดแม้ร่างกายมีความปรารถนานุ่นนี่บีบคั้นเข้าไปถึงใจก็เป็นทุกข์ ทุกกายทุกใจหรือนาวิทยาสอนีห้กาหนดรู้หมดนี้คือทุกทุกเป็นสิ่งที่ต้องกําหนดรู้เมื่อกํากหนดรู้แล้วทุกก็จะดับไปดับไปชั่วคราวเป็นนิโรธแล้วก็จะรู้เหตุแห่งทุกนี่คือมีอุปท า, านมีตัณหามีอวิชชาคือความไม่รู้ความจริง มันเป็นตัวเป็นตน้นนี่ท่านจริงว่าทุกนี่มันมาจากเหตุจากปัจจัยมันไม่ใช่ว่าเกิดขึ้นเฉยเฉยถ้าทุกข์ดับชาติก็ต้องดับนี่ทีนี้ที่ถ้าทุกข์ดับชาติดับชาติดับทุกข์ก็ดับชาติจะดับพบต้องดับไอตัวที่มันมันมันมาอยู่ในจิตแตามันต้องดับ พบจะดับกูฏทานต้องดับกูฏทานดับตัณหาต้องดับตัณหาดับเวทนาก็ดับไม่ว่ามันมันไม่มีปัญหาอย่างเราเห็นปั๊โอเวทนามันเกิดขึ้นไม่สบายเกิดขึ้นมันก็อยู่เียๆก็ดับไปเฉยๆดับไปจากจิตเราไม่มีความหมายอะไรมันก็จบเรื่องแต่ถ้าเราขาดสติไม่สบายเราไม่สบายนะเนี่ยอย่าให้มันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ดิ้นรนไปแล้ววนเวียนอยู่ในจิตแล้ว ทุกแน่นอนเลยแต่ถ้ามันทุกมาแล้วเรารู้วิธีทุกให้กําหนดรู้นี้คือทุกเห็นซะก่อนนี้คือทุกเราบอกกับตัวเองในวันนี้คือทุกอืมีน้ําหนักขึ้นในจิตแล้วทุกเป็นสิ่งที่ต้องกําหนดรู้กําหนดรู้เข้าไปจนทุกดับนี่คขบวนการของการปฏิบัติทุกดับก็เรียกวันนี้รว ถ้ามันดับย่อยๆก็เรียวว่นนิโรธชั่วคราวแต่ทางคานนิโรธแต่มันสอดคล้องกับนิโรธที่แท้จริงคือพายในพานพายพานนี่หมายว่าทุกดับหมดจดไม่มีเหลือค้างคาอยู่ในใจทุกไม่เกิดขึ้นกับใจคำว่าทุกดับในทีน่นี้หมายว่ามันไม่เกิดขึ้นกับใจิตใจอีกจึงเรียววันนิพพานจริง บางทีพระพุทธเจ้าก็เรียกว่าปฏิจจสมุปบาทหมายว่าธรรมที่อาศัยกันเกิดขึ้นมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรามันอาศัยกันเกิดขึ้นอย่างทุกข์จะเกิดเนี่ยมันต้องอาศัยความไม่รู้ของเรามีอวิชชามีตัวมีตนก็คือไม่รู้เรื่องสัจ ส, สีนี่แหละถ้าเราไม่รู้มันมีสุข นี่คือเหตเองทุกนี่คือความดับทุกนี่คือทางปฏิบัติเพื่อให้ทุกดับไม่รู้แล้วก็ไม่รู้ว่าไม่มีตัวเรามีของเราเป็นแค่ทำมาสายกันเกิดขึ้นเฉยๆมันอสายกันเกิดขึ้นถ้าเราไม่ทันมันอย่างนี้มันก็เป็นเป็นเรา เราในอดีปปูแต่งอันนั้นดีอันนี้ดีเราทํากับเราดีเนี่ยอันนี้ไม่ดีเราทําไปกับเราไม่ดเีเป็นเราหมดเลยสงบก็เราสงบมีเรามีเราอยู่ในนั้นให้ความเป็นตัวเป็นตนนี่มันไปเก็บไว้ในวิญญาณเขาเรียกผวังกัจจิกหรือผวังขวิญญาณ เวลาจะไปเกิดนี่มันก็เป็นปฏิสนธิวิญญาณจุติวิญญาณตายโซวต่อไปหาปฏิสนธิวิญญาณกรรมก็อยู่ในนั้นแหละเนี่ยไปกับวิญญาณเียมันจะไปก่อทุกอย่างไงไอตัววิญญาณนี่ก็ไปอาศัยหาล่างลูกนามถ้ากรรมที่ทำสมควรมาเกิดเป็นคนมันก็มาเกิดเป็นคน ได้ร่างกายได้จิตใจแบบพวกเรานี้เราก็มาแบบนี้เหมือนกันทำมเหมาะสมอยู่เป็นคนเหมาะสมเป็นสัตว์มันก็ไปเกิดเป็นสัตว์สำ น, นาจของกรมเพราะบางทีเราจิงประสบกับเรื่องราวดีๆกรรมดีให้ผลบางทีมีแต่เรื่องเวลวร้าย กรรมไม่ดีให้ผลบางคนสบายเนี่ยกรรมดีเขาให้ผลบางคนทุกข์ทรมานมีสิ่งนั้นสิ่งนี้ลบกวนมากมีกรรมให้ผลพระที่ทำมาแล้วถ้าใจยอมรับได้ก็ยอมรับว่าเอามันให้ผลยังไงก็ตามแต่เราจะปฏิบัติตามคำสอนของบุตธเจ้า ให้ทุกมันดับไปจากใจเราแต่มันสำคัญตรงนี้นะที่นี่ไม่ใช่สำคัญว่าเออคนนั้นร่ำรวยมีชื่อมีเสียงแล้วหน้าเขาลบกบับไหวบูชาไม่ใช่คนไหนรู้วิธีดับทุกไหมทุกน้อยลงไปไหมตรงนี้เป็นสินประเสริฐมันประเสริฐกว่ามันดับทุกมันไม่มีทุก แล้อันไหนที่มันทําแล้วมันมีทุกมันไม่ประเสริฐกําลังพูดความจริงเรื่องของตัวเราเองถ้าไม่เข้าใจตรงนี้ปฏิบัติธรรมเนี่ยมันก็ไม่ค่อยเข้าใจถ้าเข้าใจตรงนี้หมายว่าทุกเรื่องที่ปฏิบัติเนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้เท่านั้นเองศีล ส, สมที่ปัญญาก็เพื่อสิ่งนี้ก็คืออยู่ในนี้สมถาวิปัสสนาก็อยู่ในนี้มรรคแปดก็อยู่ในนี้ โพงเจ็ดก็อยู่ในนี้โพที่ปรกิยธรรมก็อยู่ในนี้ขันห้าก็อยู่ในนี้เราจะมองรูปไหนอะร่างกายก็รูปประคันมาทีรูปรวงเลยเข้ามาก็เป็นร่างกายรูปประคันถ้าร่างกายมันมีเวทามันเจ็บมันปวดมันเป็นยุ่งเป็นนี่ขึ้นมาถ้าใจยอมแล้วไม่ได้เอาอีกแล้วเน่ เราเจ็บเราปวดเนี่ยวิวาทานปนเวียนอยู่ในจิตกลัวเป็นกลัวตายอยากให้หายเวลามันเจ็บมันปวดใครมาใกล้พูดไม่เข้าหู oh, หน่อยรู้งี้หน่อยสร้างปัญหามากเลยถ้าจิตมันมีทุกเนี่ยแต่ถ้าเรารู้วิธีพยายามที่จะเข้าไปดูมันเข้าไปกำหนดรู้มัน เมื่อไปคิดว่ามนเป็นเราออ้ ย, อยังงี้ก็ได้ประโยชน์วันที่ผู้เจ้าตรัสรู้ท่านสเสวยวิมุติสุท่านก็พิจารณาอันนี้แหละว่าท่านตรัสรู้อะไรข้อมูลเข้ามาก็คืออริยสัจสอริยสัจสีมันก็ครอบคลุมปฏิสมุบาวงจรของทุกอันหนึ่งเป็นวงจรทําให้เกิดทุก อันหนึ่งเป็นวงจรดับทุกขุกไม่เกิดทีนี้ถ้าหากว่ามองในแง่ของการปฏิบัติคนจเจริญสติจเจริญไปทีแรกก็เอา้าจิตมันเร็วทันบ้างไม่ทันบ้างต่อมาก็ทันมากขึ้นจิตก็สงบสงบลงไป มันยังไม่ค่อยรู้อะไรมันก็ตามเราตามอารมณ์ตามดูอารมณ์มันก็ตามลงไปจิตเนี่ยไม่มีกําลังมันอย่างอื่นมันไม่รู้มันรู้แต่ว่ามีอารมณ์เฉพาะหน้ามันตามไปตามเลยไปก็มีอารมณ์เป็นหนึ่งเป็นสมรดากรรมฐานไม่รู้เรื่องอยู่ข้างในอันนี้พู้จะย่อ เราไปแยกเปน็นว่าเออถ้ามีวิตกวิจาร์ปีติสุกเอกขตาก็เรียกปทุมชาญเสียเป็นบัญญัติเรียกชื่อมันจีเฉยถ้ามันไม่มีอะไรปุงแต่จิตรู้อยู่เฉยมีปีติมีสุขเอกขตาก็ทุติยาชาญเสียปีติหายไปเพราะมันละเอียดลงไปแล้วจิตปีติยังอย่ยังเกี่ยวมึนด้วยกายมันไม่เอากายแล้วมันไปเอาแต่สุขอยู่ข้างใน สุขเกกต า, มาไม้งเนยมเป็นหนึ่งเดียวตติยฌานเป็นอุเบขาเนียรวมเป็นหนึ่งเดียวแล้วก็จิตเป็นอุเวาวางสุขเฉยพบเป็นจตุฌานต่อไปก็เป็นปรูปอรูปฌานอากาส า, านัญชาเนี่ยนะ ยินญาณังจายตนาอานจินัญญายตนะเนวัญญาณาสัญญ า, า, ายตนาอารูปรชาตินี้ยังเป็นอยู่ในขั้นสมถาะาสมาธิแบบนี้เกิดมีก่อนที่พระเจ้าจะตัดสุเเรา้าก็เคยฝึกมาเพรนั้นเวลาไปหาพระที่ท่านปาถนาพุทธภูมิท่านก็จะเจริญฌานมีสมาธิ แล้วเป็นเหตุทำให้มีอภิญญาทางนู้นทางนี้แต่ยังไม่สามารถดับทุกได้พอได้สมาธิแบบนี้แล้วต้องเจริญสติสัมปชัญญะต่อไปให้เห็นว่าลูกน้ำเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงให้เห็นว่าลูกน้ำเนี่ยไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราหเห็นหยาบยาไปก่อน อันน้นอันนี้เปลี่ยนแปลงไปเออมันค่อยเข้าใจมากขึ้นอ้าวดูความคิดเดี๋ยวความคิดอันนี้ก็หายไปดูทุกทุกก็หายไปแต่มันหายไปชั่วคราวอย่างนี้เขาเรียกว่าสติจเจริญสติสัมปชัญญะสติก็มั่นคงขึ้นมั่นคงขึ้นจนเต็มที่ควบคุมจิตม่เล่นหลอดไปไหนเลยปราหารความฟุ้งซ่านได้ เตทัจัดดับนี่เรียกว่าสัมมาสมาธิสติเรียกสัมมาสติความเพียงเรียกว่าสัมมาวายามะนี่มันมาเป็นองคมากตอนนี้นะตอนที่จิตตั้งมั่นเนี่ยจิตตั้งมั่นแล้วจิตเป็นจิตนี่เป็นตัวของตัวเองเลยอะไรเกิดขึ้นมันเห็นเองจิตเห็นไม่ผ่านกระบวนการแห่งความคิด เห็นเฉพาะหน้ารู้ขึ้นเฉพาะหน้าไม่ต้องคิดสภาวะที่เกิดก็เกิดดับจิตก็เห็นว่ามันเกิดดับมันจะพูดหรือไม่พูดก็ตามแต่มันรู้มันเห็นบางทีมก็พูดออกมาเกิดดับเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราได้แต่มันไม่ใช่คิดเอามันพูดเพราะมันเห็นมันเห็นประจับใจใจเห็น ใจรู้ใจเห็นบางทีใจพูดบางทีไม่พูดแต่ใจก็รู้เป็นภาษาของใจอันนี้เรียกว่าวิปาาัสนาญาณปัญญาญาณเรียกโลโลกุตระสมารถิถิก็ได้แต่เป็นโลกุตระแนวว่าเป็นสมารถิติแนวโลกุตระอยู่ยังไม่ได้ป่าหันกิเลสที่เห็นอะไรมันก็เกิดดับต่อมาความเกิดดับนี่มัน รวดเร็วมากจนกระทั่งจิตเนี่ยอะไรเกิดขึ้นก็ตามจิตรู้สึกว่าไม่มีอะไรเป็นเราเลยเด็ดขาดลงไปในจิตที่ประหารกิเลสทันทีเลยนีอาเรียมังวิวแปดบริบูรณ์สมบูรณ์ขึ้นเปกนขั้นเป็นตอนมันจะประหารกิเลสเนี่ยต้องประหานกิเลสตรงนี้ตรงที่ว่าเห็นความเปลี่ยนแปลงเกิด ข, ขึ้นทั้งอยู่ดับไปไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราภายในจิต กอจะมาถึงตรงนี้มันถึงมีแตกต่างกันบางคนก็เอออยากให้สติสมัญญาสมบูรณ์เขาต้องคิดไปด้วยว่าโอ้เนี่ยร่างกายนี่นะมันเปลี่ยนแปลงแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ของเรานะจิตก็ดื่มดำลงไปใจสงบใจก็รู้สึกว่ามีกำลังขึ้นเนี่ยมันหากำลังมันกำลังจะเตรียมกำลังเพื่อไปสู่ความตังมั่ ง, งทีต้องคิดช่วยถ้คิดช่วยแล้วมันมีประโยชน์เราคิดช่วยได้เาจะคิดไม่ได้ เมื่อคิดถึงความตายของเราเนี่ยเกอดมาแล้วต้องตายเนี่ยตั้งอยู่ชั่วคราวนี้เฉยตายแล้วไม่มีอะไรเล ย, จ, ลยเจิตสงบวูปลงตายดีเพื่อจิตสงบเพื่อจิตมีสติสัมปชัญญะก็คือเจริญสติสัมปชัญญะนั่นแหละแต่ยังไม่ถึงขนาดที่จิตตั้งมัน่นมันเป็นมรรคเบื้องตน้นมรรคอ่อนๆท่าจะพูดในี้ของมรรค ปัญญาก็ปัญญาแบบเบื้องต้นยังไม่ใช่วิปัสนาปัญญายังไม่ใช่วิปัสนาญาบางคนแบบเออนึกว่าร่างกายเราไม่มีอะไรสุดท้ายแต่ดับสลายไปจิตรวมหูบเข้าไปหูบไปหน่อยหนึ่งโอ้โหสงสัยพระสวดาบันนี่นึกลงเข้าใจผิดกันเยอะนะใ้ความเกิดดับเนี่ย ที่จิตตั้งมั่นแล้วเนี่ยบางทีผมก็แสดงออกได้หนังก็แสดงออกได้ลมก็แสดงออกได้พอเข้าไปในจิตแล้วมันเหมือนอะไรสักอย่างเพราะนั้อนะอัญญากลทัญญานี่ยอุบอุทานหมือนเลยสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาย่อมดับไปเป็นธรรมดาตอนที่ท่านบรรลุกสโสดานมีดวงตาเห็นธรรมเพราะจะรับรองกันมี อันยาสีว่ตะโผคโกนทัญญยูโกนัญยารูแล้วหนอูอันเดียวกันเรียกทางสายกลางก็ใช่ที่เราปฏิบัติอยู่เนี่ยจิตไปยินดีก็เป็นกามาสุ ข, ขาลิปการนิโยกยินดีจะเอานุโนมีถ้ามันไม่ได้ใจไม่ถูกใจมันจะ บ, บังคับให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้เขยายินร้ายเป็นอัตตักินลมอาหาริโยก ก็ต้องเดินทางสายกลางไม่ไปยินดียินล้ล้ก็คืออริยมรรคมุแปดถ้าเราเข้าใจภาพรวมของการปฏิบัติอย่างอื่นมันจะอยู่ตรงนี้หมดเลยนะเพราะพรอยาตัสูุตรงนี้พอท่านตัสล้แล้วท่านจะบอกว่าโอ้โหมันลึกซึ้งสุขขุมคำผีลาพมันเป็นธรรมของบัณฑิตเท่านั้นที่จะรู้ได้ มันไม่ใช่ทาของคนที่กำลังหลงอยู่กับความสุขในทางโลกหล ง, เ อ, ลงเอานี่เอานี่มันไม่ใช่ท่านยังไม่อย่างสอนโอ้ประชาชนเนี่ยยินดีแล้วในอะไรลื่นลมในอะไรพอใจในอะไรมีแต่ความอะไร มีแต่ความติดความข้องมันจะมาดูเห็นได้ยังไงบางทีพอเห็นจิตบ้างเข้าใจจิตบ้างเออพอสอนตัวเองได้บ้างบางครัง้งไม่ใช่ทั้งหมดนะหรือบางทีทุกมาเออพอพ อ, พอปอบประโมใจได้บ้างอธิบายตัวเองฟังมันหายไปบ้างเขาไปเที่ยวโฆษณาว่ามีธรรมะเวลามันมาแรงๆ ท, ที่นี่ ุเหมือนเดิมประมาทไม่นดีสรุปสรุปไม่ให้กลัวทุกทุกให้ำห ก, กำหนดรู้เมื่อกาหนดรู้ดูแล้วมันดับไปต่อหน้าต่อตาพอถ้ามองมันทุกดับมันจะเห็นว่าเออทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยเท่านั้นนะไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรา มันเป็นของมันอย่างนั้นมันจะเป็นนันเดียวเป็นหมดนิธรรมเนี่ยเพรามันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปของมันอย่างนั้นเองมันมีเหตุมันก็เกิดขึ้นหมดเหตุหมดปัจจัยก็ดับไปเนี่พอเราไม่รู้ความจริงแบบนี้มันก็ทำให้เราเป็นทุกข์เพราะเราอยากให้มันเป็นอย่างที่เราต้องการนีก็วิชาด้วยเหมือนกัน ทีนี้ถ้านั่งหลับมันจะเห็นไหมถ้านั่งแล้วหลับนั่งแล้วซึมนั่งแล้วเบลอนั่งแล้วเมื่อรลอยมันจะเห็นไหมนี้คือทุกข์ผู้ยังสอนให้มีสติทำสติมีกาลังทำให้จิตตื่นสติตื่ น, นข้ามพ้นความง่วงเหงาซึมเศร้าข้ามพ้นความอยากความต้องการข้ามพ้นความเมตาบัติอาฆาตเจาเวงโกรธเคือง ข้ามพ้นความลังเลสงสัยความพ้นความฟุ้งซ่านลำคาญเที่ยวไปเอาเรื่องโน้นเรื่องนี้มาทําให้จิตของตัวเองเดือดร้อนรุ่มร้อนถ้าหากว่ามันจิตไม่ตื่นตัวไม่มีกําลังมันข้ามไม่ได้มัก็ง้อเงี้ยงง้อเงี้ยแวันเมื่อไร่ก็ง้อเงี้ยงงกอเงี้ยฟังก็ไม่เคยประโยชนเพราะมันเข้ามีถึงมันข้ามนิวรณนไม่ได้ คนปฏิบัติมันต้องมีสิ่งหนึ่งก็เรียกว่านิวรณเครื่องกั้นถ้าไม่ปฏิวัติไม่มีไม่เกิดนิวรณ์เนี่ยมันเป็นเหมือนเป็นทางผ่านต้องมีไม่น้อยกว่าแบบนี้ต้องเกิดขึ้นแล้วก็อาใช้ความเพียรพยายามให้สติของเรามันตื่นตัว คนนี้จะละนิมวนได้เพราะฉะนั้นพูดเรื่องความเปลี่ยนที่เจ้ามีว่าใช่สาหาพยายามขมักขมิน้นทำสติสำไปันี่ให้มีประมาณยิ่งให้มากขึ้นจิตใจมุ่เด็ดเดียวอาจฐาหนอยู่หนาของเราทำตามที่พระเจ้าบอกหรือเปล่าหรือว่าลอยไปลอยมาคุยกัน ขอล้อย่อกระ้ า, ยาวายาวา่อแเยเย็นยืนมารอวาเมอไหลมันจะาได้เวลาเข้านอนนี่มันทำให้คิดถึงบูชาทำไมท่านถึงไม่อยากสอนมันเป็นอย่างนี้แต่เวลาคุยไม่ชอบคุยเนะ้อยากมีธรรมะอยากได้ธรรมมาอยู่วัดแต่เวลาเหตุ ที่จะให้มันรู้ธรรมะจริงๆอย่าง จ, งจังมันไม่มีเรเตรียมตัวนะดูตัวเองเป็นโอกาสสุดท้ายนะทบทวนดูว่าวันนี้จิตของเรามันเป็นยังไงมันเริ่มต้นอยังไงท่ามกลางยังไงสุดท้ายขณะนี้เป็นยังไงดูมันมีอะไร ความเข้าใจอะไรเกิดขึ้นกับเราบ้างมันมีอะไรแจ้งชัดขึ้นในจิตเราบ้างให้มันจดจําเอาไว้ในการที่มันจดจําสภาวะต่างๆเนี่มันทําให้เราเนี่ยมีความเข้าใจลึกซึ้งแล้วมันก็ผ่านไปได้บางอย่างมัน มันทําให้เราเนี่ยเข้าใจเร็วเร็วกว่าเดิมถ้าเราไม่ทบทวนเราไม่ตรวจสอบว่าเรื่องอะไรต่ออะไรเนี่ยมันไม่ชัดขึ้นมาในใจเราสักทีนึงมันก็ชักช้าเราให้ชัดเลยมันจะชัดตรงทําจิตให้นิ่งด้วยทําจิตให้นิ่งจิตอยู่กับจิต ถ้าจิตมันดูเองเลยบางเรื่องมันไม่ดับเพราะว่าเนี่ยมันมีมันมีแรงกดดันกดหลังกายเราดันหนุนดันมีความคิดก็ไม่หยุดเรื่องเก่าๆ เ, เดิมๆซ้ํำๆวนไปเวียนมามันไม่หยุดเพราะจิตมันไม่หยุดถ้าเราหยุดจิตเราได้ปรักลงที่จิตแล้วทีนี้ลองดูดูข้างนอกมันคืออะไร มันจะเห็นอาการทางร่างกายที่มันมีผลต่อความคิดเราก็มีมันละเอียดมากเลยนะแค่คำพูดมันก็แสดงบอกได้นะตัวตนมันบอกให้รู้นะม่อมีตัวตนซ่อนอยู่ในนั้นอาการของมันผิดปกติมันทำท่าจะสร้างเรื่องสร้างราวต่อไปเนี่ยต้องหาทางย้ำยังมันมันต้องรู้ให้จริง ถ้ามันมดับภายในจิตเราบางทีมันมาริ้มงานทางกายเราได้ด้วยนะพวกความกังวลความอะไรต่ออะไรเนี่ยเป็นนู่นเป็นนี่ได้ง่ายมันทำให้จิตเราเนี่ยมันมีความหนักแน่นกระตรงรู้จักอบลงด้วย ว, วันนี้เราทํำยังไงปฏิบัติยังไง มีความเข้าอกเข้าใจอะไรบ้างแจ้งชัดขนาดไหนคิตโลคลายออกไหมคลายออกบ้างไหมพล้วก็ทำความวรู้สึกว่าวันนี้เราได้ขนาดเนี้ยทาความพอใจเราก็ได้ปฏิบัติเต็มที่แล้วรับได้แค่ไหนเราก็เอาแค่นั้น แต่จะพยายามประพฤติปฏิบัติต่อไปเราจะพยายามจิตต้องพยายามด้วยอันไหนที่มันมันเข้าใจเราย้ำย้ำว่าอันนี้เป็นอย่างนี้นะนี่คือย้ำกับจิตเราให้มันชัดในจิตสภาวะันไหนที่มันชัดในจิตนี่แม้ตายไปมันก็ไม่ลืมขนาดนั้นนั้นที่มันไปต่อได้ไปปฏิบัติต่อได้ แลมันชัดในจิตนะมันไม่ลืมชาตินี้ไม่ลืมชาติต่อไปก็ไม่ลืมได้มันไม่เหมือนนะเราจำเรื่องนั้นคนนั้นเรื่องคนนี้อยากได้อันนั้นอันนี้เนี่ยมันมันลืมได้เรื่องคนนั้นคนนี้เขาเล่าอันนั้นเรียกฟังแลมันลืมแต่ถ้าจิตเราเข้าไปเห็นเนี่ยเห็นด้วยจิตมันจะไม่ลืมแล้วก็อุทิศบุญไป มันพระองคนั hmm. okay, n ina, n ina. Mm ้นอนนี่นะ s a r u h a i doy, r o o